อาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2537 เป็นการบรรยายพระภิกษุธรรมเรื่องเบื้องต้นเรื่องรูปาวจน์ ที่เรียกว่าเป็นฌานจิตซึ่งก็จะมีติด 2 ชุด 2 หมวดในหมวดแรกหรือพวก 15 ดวงก็เป็นกุศลฌาน 1 เป็นวิบากฌานเปเป 5 ดวง 3 ส่วนแล้วก็หลังอีก 4 ได้จึงถึงลกตลจิตในลําดับต่อไปจิตกลุ่ม 15 ตรง 5 ดวงด้วยกัน 5 ดวง โกรูปภาวจกรกุศลจิต 5 ดวงตามศัพท์นั้นก็แปลเป็น นั้นรูปาวจรกุศลจิตนั้นเรียกว่ารูปฌานก็ได้โดยมากแล้วก็จะเรียกว่ารูปฌานกันและ กรรม 1 อวัจจระกรรม 1 กุศลกรรม 1 ก็จิตกรรม 1 ก็คำส่วนใหญ่ก็จะซ้ํากับที่ อันเป็นที่อุบัติเกิดของผู้ที่ได้รูปฌานกุศล แต่ในที่นี้มีความหมายเฉพาะ 2 อย่างอันหนึ่งเมื่ออธิบายให้ อาวัจระที่แปลว่าท่องไปในความหมายของรูปนิมิตก็หมายๆอย่างนี้เหมือนกันโยคาวจรมาจากว่าโยคะคือประกอบความ ประกอบความเพียรนั่นเองอวจรนี้จึงหมายถึงเพ่งแล้ว ต่อซึ่งจะแตกต่างกับมีลักษณะจดจ่อจึงเรียกว่าเพ่งซึ่งจะ ในความหมายในที่นี้เพราะว่าเราเพียงแต่ว่าดู คำว่าชาอาจคำว่าเพ่งนั้นบางทีเราจะใช้กันในกรณีอื่นอยู่บ้างในลักษณะของการเปรียบเกลียงกันหนึ่งโลภอยากได้ใน ของความคิดถึงสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวซึ่งทรัพย์สินอันไม่ใช่เช่นอภิชฌา ที่เราพูดถึงในสติปัฏฐานสูตรอวิชชานั้นมีอาการเพ่ง มาแชมเปญจะต้องว่าเพ่งเล็งอย่างได้ ภาษาฌานเค้าเรียกว่าฌานนั่นเองอ่ะฌานเนี่ยเรียกว่าแปลว่าเพ่ง ภาวทีนมิตาเนี่ยบาลีใช้คําว่าชาปะแปลว่าเผาก็มาจาก แต่ว่าการกระทําให้เป็นอารมณ์ลักษณะอย่างนี้เป็นการกระทําให้ ไม่แต่อย่างใดเลยเพ่งเพื่อจะเอาผลทางแต่ว่าไม่ใช่อยากได้โดยตรงใจ <c oughs> นะครับเป็นความประสงค์ในทางหยันทะๆที่แต่งขึ้นเขา น่ะฮะเหมือนกันเราเทียบอย่างเงี้ยก็เห็น เอาบางสิ่งบางอย่างคือเอาเงาอ่ะเอาเงาเตี่ยมึงก็เอาเงาแล้วคนที่เพ่งกสิณเนี่ยเค้าก็เพ่งเพื่อปฏิญา ซึ่งก็คงจะต้องถ่ายมากหน่อยสิ้นเปลืองปรีมมากหน่อยสําหรับการตําจานเนี่ย ถ้าหากว่าบุคคลผู้เพ่งนั้นมีความเพียรเหมาะมีสิ่งแวดล้อมความรู้สึกเลยติดตาทันทีเนี่ยเหมือนกับเราเราเราอ่าน อันนี้จริงๆเรียกว่าเป็นการเพ่งนี่ถามว่าเพ่งเนี่ยเค้าแน่นอนเพ่งด้วยใจแต่ว่าสําหรับคนๆคือลืมตาดูดูเช่นแผ่เมตตาตา นึกถึงสัตว์ถึงอย่างสัตว์ตั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็แผ่ไปยังศัตรูทั้งหลายเหล่านั้น 10 อสุภะ 10 เหล่า 2 2 ข้อที่ดูที่ที่เขียนแต่ว่าถ้าเป็น ข้อ 3 ข้อ 4 .3 .4 คืออานาปานสติลืมไม่รู้จะลืมตาดูตาเอาเอาเอากระจกมาส่องดูมึงก็ดูไม่ได้ดูไม่ออกอีกเปื้อนแต่ว่าจะไปดูคนอื่นเค้า หลับตานั่งคู้บังหลังแล้วก็หลับตาเต็งหรือ 32 อ่ะถ้าเป็นอาการ 22 นั้นมันทําได้ทั้งเริ่มเริ่มทําได้ทั้งจะเจริญกายคตาสติคืออาการตาที่ 2 เอ่อพูดครับเป็นเรื่องใหญ่โตนะฮะจะลงมั้ยตัดเล็บก็ลงทุนคือลงทุนเนี่ยมันแสดงความอุตสาหะมากหน่อยลงตัดเล็บแล้วมาใส่ lambda อุตจาระปัสวะน่ะบางทีก็ต้องไปดูไปเพ่งกันให้เห็นกันชัดๆอย่างนี้นะสําหรับบางคนที่ลําบากหรือใจมันไม่จับ ตัวที่นับว่าเป็นตัวเพ่งจริงๆนั้นคือตัวจิตตัวจิตแล้วก็จิตที่ว่าเนี่ยเราๆความจริงมันมีเจตสิกมีองค์ฌาน 5 อย่างที่จะเป็นตัวหลัก อ่าจับหลักประเด็นนี่คือเป็นว่าผมได้อธิบายว่าการเพ่งนะเพ่งเอาอารมณ์อย่างนี้เอาเป็น ความมุ่งหมายอย่างแท้จริงที่เราเอานิมิตเนี่ยไม่ใช่เอานิมิตเพื่อแค่ นึกถึงกสิณนึกถึงอารมณ์นะฮะอันนี้ก็คือตัวสาระที่ต้องการจะได้ ที่เป็นสุตมยนะฮะอันนี้ก็ใกล้ๆกันอย่างนี้ <c oughs> เพื่อให้ได้คุณธรรมเราเอาพวกจริงเหล่านั้นไปทําไมและคนได้ฌานเนี่ยเค้ารู้มั้ยว่าเค้าทําอย่างนี้แล้วเค้าจะได้อะไรผลเรื่องตอบแทนก็ตอบว่าเค้ารู้ครับเค้ารู้ถามว่ารู้อย่างไรคืออะไรก็คือประการที่ชัดๆอย่างหนึ่งที่คนได้คนทํา สิ่งที่เขามุ่งหวังและได้กันทุกเสมอมาทุกคนคืออะไร ก็เห็นว่าทางนี้เป็นทางออกทางนี้เป็นหนีช่วยได้เหมือนกับเรามาแสวงหาธรรมะเนี่ยก็ส่วนนึงแล้วก็ สติปัญญานั้นคือว่ากันถึงที่สุดเลยที่เทวญาณทัศนะนะคือญาณปริญญาความ ได้ประโยชน์อันนี้นี่ก็ความสุขความเจริญฉลาดได้จากการที่ได้ฌานหลักๆนิเอ่อ คนเหล่านี้ได้สิ่งที่ดีๆในชีวิตในส่วนหลักๆทั้งคือได้วิบากส่วนนั้น ที่เป็นวิบากของฌานก็คือการได้ อยู่ที่นั่นก็ประเสริฐกว่านี่เป็นที่ผมว่ามาเนี่ยเป็นกระแสของความประสงค์ของผู้ที่ธรรมนะฮะแต่ว่าถ้ามาเป็น ในตอนหลังตอนหลังเมื่อมาได้บวชในพุทธศาสนาแล้วได้มารู้จักธรรมะปฏิบัติในพุทธศาสนานะแล้วก็ไม่ใช่ ในอีกส่วนหนึ่งแล้วไปต่อต่ออะไรว่าเป็นเรื่องที่หยาบกว่ามากหยาบกว่ามากแล้วกรรมฐานนั้นก็ดําเนิน เข้าส่วนของวิสุทธิฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานอีก 5 ขั้นอันนี้คือจุดมุ่งหมายอย่างนี้ นี่เป็นการไม่ติดตามและยังไม่โดยไม่ติดเลยนี่คือคํา ตามฌานที่ตัวได้ว่าได้ฌานไหนก็ไปเกิดในโพรหมโลกภูมินั้นอันหนึ่งและ ละรูปภพภูมิก็เรียกว่ารูปธาตุรูปภพภูมิหรือโพรหมภูมิเรียก เป็นการกล่าวถึงในแง่ของกฎแห่งกรรมว่าคนที่ทําฌานนั้นเป็นเรื่องของ <c oughs> ที่ทําโรงงานอุตสาหกรรมนั้นเป็นที่อาศัยเกิดของอัปกุศลชั้นต่ํามากๆก็ได้ปาน เป็นเรื่องมาพูดถึงการบูชน้อมผู้ที่ทําการบูชน้อมเช่นเป็นอุปทานท่อก๊าซได้มั้ยได้มั้ยท่อประปาหาเสียงได้ป่ะล่ะเออนี่ แจกบาเค็มหมาเสียงได้มั้ยเอาอย่างนี้นะฮะแจกบาเค็มเนี่ยหาเสียงแต่ว่าปกตินท่อประปาสร้างพระตั้งโบดมันได้น้ําเป็นชั้นสูงไม่ใช่มานะทิฏฐิชั้นต่ํา <c oughs> เออกูทําเป็นกามกุศลเนี่ยมานะที่จิตยันตามได้สื่อคนที่มีกุศลจิตแล้วเกิดความเห็นผิดได้หลายอย่างตามๆก็ได้อันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบอันหนึ่งเพราะฉะนั้นฌานใดที่ ที่ได้พูดมาแล้วว่าเวลาเราทํากรรมอกุศลหรือมหากุศลนั้น 10 ข้อ แต่ฌานกุศลนั้นเราจะทําด้วยบุญกิริยาครบทั้ง 10 ไม่ได้มันได้อยู่ข้อเดียวบุญกิริยาข้อเดียวแล้วมันไม่เต็มคอด้วยนะครึ่งข้อภาวนาอนาเนี่ย ในทางศาสนาถือถ้าทําอยู่ในกระบวนการของวิปัสสนานะฮะก็สงเคราะห์ลงเป็นวิปัสสนาธุระก่อนสมาทานศีลแล้วบอกเอาทําสมาธิเพราะ แต่ว่าถ้าเป็นสายฌานนอก <c oughs> ที่ตรัสว่าผู้ที่ทําทานยังเป็นว่าเป็นเครื่องประดับจิตอันหนึ่งแล้วก็บางที่ก็คือทําให้ ทำไม่ได้พรหมโลกอย่างนี้นะคือทําให้ได้ฌานได้วิปัสสนาทําไม่ได้อภิโลมโลกทําให้ได้นิพพานคือฟังดู<อ> พูดกันอ่ะเราก็ไม่เดี๋ยวนี้น่ะเราแน่ใจว่าไม่มีทางถึงอานิสงส์ต่างๆเนี่ย ท่านจะตัดแบบอนิสงส์โดยตรงอันหนึ่งกับอนิสงส์โดยอ้อมที่เรียกว่าเป็นบาปเป็นปาตตกะอีกอย่างหนึ่งปาตตกะเนี่ยโดยอ้อมฉะนั้นฌานจะเกิดขึ้นได้โดยบุญกิริยา เป็นคนที่ไม่ทําอย่างอื่นเลยจะทําแต่สมาธินะก่อนจะมานั่งบนนิสีตะนะสันถัดนี่ก็ยกฝึกตีไก่มายกๆหรือว่าโหเป็นคนเนี่ยจะ เออไม่ยอมไม่มีลักษณะของความเพียรสละเลยถ้าอย่างนี้แล้วเราก็ทําฌานไปเนี่ยเป็นกุศล ทำความดีส่วนสูงขึ้นไปให้เกิดแล้วก็เมื่อๆว่าฤาษีในอินเดียหรือในประวัติ ได้จึงเหล่านั้นหรืออยากจะสร้างอย่างจากเรื่องต่างๆในกัมพีธมวดบางคนน่ะออกบวชแล้วยัง ก็เจริญคุณธรรมให้เกิดไม่ได้เพราะว่ายังละกิเลสชั้นต้น ถ้าเป็นผู้บวชเนี่ยแปลว่าเค้าสูงกับไอ้พฤติกรรมทางต้อง อาภาวนาอันนี้ก็เป็นเรื่องชื่อของจิตเรื่องชื่อของจิตอันนี้ก็เป็นเรื่องชื่อของจิตต้นๆ4 เท่านั้น 5 ในพระไตรปิฎก แต่ทรงตรัสไว้เป็นส่วนน้อยทั้งในพระสูตรก็มี 2 นายในพระอภิธรรมก็มี 2 นายก็ ปัญจกนัยแบ่งฌานเป็น 5 ฌานนั้นต่างกันตรงไหนนี้ซะก่อนก็เรารู้ว่าฌาน 5 เนี่ย โดยมากจะท่องจํากันได้มาช้านานแล้วปีตกก็คือความตึกยกดิด ยอดเหมือนยอดเขาหรือยอดเรือนคุฎาคารก็มียอดเป็น 1 ตราบใดว่าความ 1 ซึ่งเอา yes. 1 ไงมีอารมณ์เป็น 1 มีอารมณ์ นี่คือปฐมฌานพอไปถึงทุติยฌานฌานที่ 2 นั้นเรียก 2 ตัว 2 ตัวใช่มั้ย เอ่อเรามองอย่างนี้ก็ว่าเอเหมือนจะเสียน่าจะเป็นว่าได้ฌานที่ 1 องค์ฌาน 2 พอทําไปตามมาองค์ฌาน 2 ได้ความประณีตละเอียดแห่งคุณธรรมนั้น ก็ใครก็มีเต็มที่ 30 38 ไม่เกินนะฮะ มีส่วนสงสัยมีส่วนเครื่องแปลงอยู่เยอะแต่พอนานเข้านั้นอ่าความสื่อต่อ มันก็ดังจํานวนแล้วก็ทั้งกําลังแต่ว่าฌานนั้นเมื่อบุคคลทําฌานแล้วมันลดนั้นคุณภาพ กับปริมาณมันเกิดขัดแย้งกันที่ว่าขัดแย้งกัน มีคุณธรรมไม่มีพลังสูงนั้นคุณธรรมใดที่มันขวางความประณีตขวางคุณภาพของคุณธรรมตัวที่สูงกว่าถ้ายังละไม่ได้ขวางอยู่งั้นในธรรมสูงขึ้นสูงขึ้นนี่ ที่บุคคลธรรมฌานถึงฌานที่ 5 เป็นอุเบกขาแต่ นี่แสดงว่าๆที่มีองค์ฌานน้อยตัวเนี่ยมีคุณภาพสูงจึงทําให้เกิดความพิเศษเป็นอัน ไอ้ของเราเนี่ยมันไม่ได้แบกเรื่องของรูปธรรมแต่มันแบกด้วยนะเพราะมันคุณธรรมไม่ต้องมีเค้าอย่างถ้าได้ วิตกเนี่ยเป็นเครื่องปั่นไฟปั่นให้ไอ้ตัวคุณธรรมองค์ฌานเบื้องสูงเนี่ยมันได้ได้ปรากฏได้ต่อต้องมีเครื่องปั่นไฟมันเหมือน เราก็เกิดความนิ่งได้ทันทีเนี่ยมันไม่เป็นภาระใช่มั้ยทํานองว่ามาก ถึงฌานชั้นเรามาดูเทียบว่าถึงถึงความปล่องความเบาอย่างยอดเยี่ยม <c oughs> ที่เป็น 4 ก็เพราะว่าเอาที่ 1 กับที่ 2 มารวมกันที่เอามารวมกันเนี่ยไม่ใช่ถ้าอันนี้มัน ทำไมพระพุทธเจ้าจึงแสดงฌาน 4 เป็นอันมาก 5 เป็นอันในพระในยุคพุทธกาลนั้นคนที่มีบารมีมากมีมากน้อยมีน้อย ทางสมาธิสมาธิเนี่ยที่อบรมไว้ดีอบรมไว้มากมีเยอะอันพวกนี้น่ะเค้าทําชาญแล้วได้ฌานที่ 1 แล้ว ไอ้ 2 องค์นี้ธีรผลเมื่อว่าไปทําจารครั้งแรกได้ฌานที่ประกอบด้วยองค์ฮะวิตก การก้าวไปสู่ฌานนั้นต้องแตกขั้นแยกขั้นเพราะการละต่างขั้นต่างขนกันนี่เรียกว่าละ แต่ฌานนั้นละกิเลสด้วยละส่วนแห่งความดีด้วยคือละองค์ ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเมื่อกี้ผมได้พูด เอ่อผมยกตัวอย่างชัดเช่นเอาไม่เนี่ยเช่นโตตะ ต้องมีศรัทธาละสันโดษต้องมีรักเดียวใจเดียว สูตรนี้มีชื่อว่าสังขามจิสูตรแปลว่าอ่าเรื่องของพระสังขามจิตามคําจีบแล้วว่าอะไรแปลว่าชนะสงครามจิแปลว่าชนะสังขามก็ เนี่ยตอนเข้าใจว่าตอนที่เพิ่งออกบวชนั้นมีมีวาสนาบารมีจังหวะมาถึงเนี่ยนะบางๆกันมี ออดอนเดี๋ยวก็แบบอย่างพระพุทธเจ้าเราฮะถ้าไม่ไปบวชเอาตอนนั้นน่าจะเลี้ยง อย่ามาเก๊ดเอาบวชให้บวชยกบุญในโลกไกลก็ไม่ ไอ้ลูกเองถ้ารู้ความว่าๆอย่างเงี้ยนะในนั้นไม่ได้เล่าละเอียดว่าพอ ลูกพอจะโตขึ้นมานิดนึงแต่ว่ามันก็ ลูกของท่านแต่ทํานองมามัวบวดดิเนี่ยฉันต้องอ่ะไปแอบซุ่มดูว่าพระท่านก็หันหลังหนี พอนิสรปรยาก็ออกมาจากปากแล้วก็มาอุ้มไปก็รู้แน่ว่าอันนั้นคงจะกู่ไม่กลับแล้ว แต่อย่างไอ้เรื่องตัดสินที่เกิดกับบังคอนบารตะบาลอะไรอย่างเงี้ยนะเอาเนี่ยโห คือเป็นเรื่องที่ว่านี้น่ะฮะเป็นเรื่องที่ว่าผู้ที่เป็นเนี่ยโกท่านเป็นอีกแบบหนึ่งจะว่าท่านแต่นะท่านเพราะฉะนั้นอยู่ เรเราก็ไม่ทราบว่าท่านได้ให้การคุ้มครองป้องเรา และอย่างอย่างพระหลานที่ท่านเป็นหลานท่านก็ต้องสงเคราะห์เพื่อกูลของท่านไปอีก เช่นมีใครก็บอกว่าโหฉันเนี่ยมีปัญหาชีวิตมากแล้วเกินอยากตาย อย่างนี้แม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็คงจะนะแล้วก็ที่ เพราะว่าเมืองของท่านเนี่ยถือเป็นเมืองขึ้นของพระเจ้าประเสริฐธิโสตนพระเจ้าประเสริฐธิโสตนนั้นเคารพพระพุทธเจ้ามากท่านน่าจะไปขอเป็นอิสระอะไรต่างๆใช้พลังศรัทธาเป็นปัจจัยแต่ท่าน พระพุทธเจ้าเราถือเป็นเป็นราชทายาทน่ะถึง 4 โดยมากในพระไตรปิฎก 4 ไม่ 5 รถละขั้นตอนรถลัดขั้นตอนไป 5 ขั้นฌาน 5 สําหรับคน 5 ฌาน 4 นั้นเป็นเรื่องของ ทำไมฌานเนี่ยจึงกําหนดองค์ว่าเป็น 5 มรรค 8 บางตัวนั้นตรงกับ 2 ตัวครับอีก 3 ตัวไม่ แล้วก็องค์ฌานนั้นองค์มรรคซึ่งที่เป็นเช่นที่ตรงวิตกวิตกตรงกับองค์มรรคที่ อันนี้เป็นข้อที่ตรงกับตัวแรกเป็นข้อที่ตรงกันตัวแรกอีกตัวนึงคือตัวอะไรฮะสมาอะไรองค์มรรคสัมมาสมาธิใช่มั้ยฮะสัมมาสมาธินั่น ส่วนวิชฌานปิติสุขนั้นไม่ซึ่งเป็นชื่อของปัญญาองค์มรรคที แต่ไม่ยกขึ้นมาเป็นองค์ฌานถ้าถามว่าเพราะอะไรก็ไม่ๆเนี่ยนําไปสู่สมาธิแล้ว <c oughs> แต่ว่าเมื่ออย่างอื่นละนั้นถึงกำลังบริบูรณ์แล้วสมาธิยัง ที่ใปหลักที่ถึงหลักที่มุ่งหลักแต่ว่าคนที่ มันสวนทางกันเลยฮะว่าเวลาทําวิปัสสนาญาณชั้นต้นนี่หมายความว่าองค์มรรคไม่ครบกําลังก็ องค์มรรคที่มีกําลังจริงๆอยู่ในมัคขยานเลยเป็นว่าองค์มรรคเนี่ย คือว่าอย่างสัมมาทิฏฐิจะบริบูรณ์ได้ต้องอาศัยองค์ธรรมอื่น ไอ้คําว่าฌานเนี่ยเรียกด้วยอํานาจของสมาธิเป็นสําคัญเวลาพูดถึงวิปัสสนาด้วยอํานาจของการกล่าวด้วยพลังสมาธิในนั้นท่านก็เรียกว่าฌานแต่แบ่งเป็น 2 แห่งอารมณ์เที่ง